بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على وال ل ا ل ش ر ف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله رب وبإسلام ا ل دينا وبمحمد رسوله ر ระบิดาชั่วร้ายส ل ตว์ร ي و ยวายสิริ م ัมริ ن ัลนอัคดะมิ ي ิส ل นยัฟกหั ل ควาลีอั ي ลอฮ ق ม์อัล و อฮู ا ักนนาสัลลุคะอินมะนาฟิอันวาริสกันทายิบันวะมัลล์มุ ا ะบัลลายาห์รั م น์อาลามีนอัลลอฮุมักฟัคห์ฮุฟิดดินวะลิ ل ห์ตะ بسم الله الذي لا يدرو ما س م ه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السمين أليم بسم الله الذي لا يدرو ما س م ه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السمين أليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮสุบฮานหัวตาละประสบแดบ่พี่น้องที่ได้มาเรียนกุรอ่านทุกๆ ท, ท่านอัลฮัมดุลิลละครับวันนี้ก็เป็นเสาสิ้นปีเสาสุดท้ายของสกราราปีนี้แล้วก็เป็นวันหยุด ยาวด้วยผมมาจากหนองจอกลดโล่งเลยอัลหัมโดยดินละอ่าและแสดงว่าคนกรุงเทพนะ่มีไม่เยอะหรอกส่วนใหญ่คนต่างจังหวัดมาอยู่กรุงเทพก็เลยก็เลยแน่นไปหมดนะอ่าส่วนคนต่างจังหวัดอยากจะมาหาคนกรุงเทพเนี่ยตอนนี้สะดวกเพราะว่าตอนนี้กรุงเทพโลง่งฮัตยามาจากอายุธยายินดีต้อนรับนะครับอ่า ก็เขาเรียกว่าเดินทางสวนกันคนเขาออกเราเข้าอช่วงนี้ไม่เหมาะกับการออกไปต่างจังหวัดเพราะแน่นไปหมดนะครับตอนนี้กรุงเทพโล่งเลยนะทำดีแล้วส่วนพวกเราเองเนี่ยก็ไม่หยุดเพราะว่าเรียนศาสนานี่นบีสอนให้เรียนจนกระทั่งถึงหลุมเรียนจนตาย นะก็ไม่มีหยุดบางคนก็ถามอาจารย์ได้หยุดบางป่าไม่มีหยุดฉันเนะี่ยถ้าอยากจะหยุดต้องบอกกับเบยก็เดี๋ยวขาขอหยุดเองแต่ถ้าไม่บอกก็มาเรียนมาสอนตลอดนะอัลฮฐานดูลินแล้วก็เรียนรู้ศาสนากันทุกวนันก็ไม่รู้แหละใครจะไปก่อนนะก็เรียนกันไปเรื่อย ผู้นี้ศาสนูก็มีนะครับเดี๋ยวผมไปสอนกุราอ่านช่วงเช้านะอืจะจมีบูราต่อจะไปสอนกุราอ่านตอนเก้าโมงอ่าถ้าไม่มีไปไหนก็หาไม่เจอโอเคอ่าถึงไหนแล้วอายะที่เจ็ดสิบสองูรอ อัลมาอีดายุสที่หกนะใครที่อ่านเป็นยุสหยิบเล่มหกมาอายะที่เจ็ดสิบสองละกอด็กาฟารัลลดีละกอด็กาฟารัลลดีนะกาลูอินนัลลอฮะฮุวัลมัสีฮุบันุมารยัม ล้ก็ดากกฟรัลท น, นั ล, ลุ่มนนั่ลมสัสีบน ม, มอ่าเก้เจ็นะครับเจบเล่มหยุสติหอ่าส่วนหน้าฉันไม่รู้เพราะว่าใช้กันคนละเล่ม อาะเริ่มที่ฟาติฮ่าอูบิลลอฮ์มินอ์ชัยตันิรรจิมบิสมิลลาฮิรลอฮ์มานราะม الحمد لله رب العالمين الرحمان الرحيم مالك يوم الدين อียาคัน عبد وإياكناستعين إهدينا السيرات المستقيم الم سيرات الذين أنعمت عليهم غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الظَّالِّينَ الْمَغْضُوبِ ไรَ่ี่มัَนคง ل ก่พวกَ م า ن أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ لَقَدْ ك َ ف َ ر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم ل َ ق َก็ ك َ ف ر الذين قالوا إن الله َ هو المسيح ُ بن مريم وقال المسيح يابني อิสราเอ ا عبد الله وقال المسيح يابني إسرائيل عبد الله َّ ربي َ <ي> ع الله <كم> ا ع ب د ุ ا ل ل ลอฮะรับบีวะรับบักุมอินน ahu ไม่ยุศริกบิลลาฮี ف ق กัดฮะรราะมั ه ลาหูอจ อีกรอบนนะอินหูไมยุศริกบิลลาฮิฟะควดฮารอมัลลอหูอัลเลฮิลจันนะ วมะวะห์นารุวมะลิ้ดจัลลิมินَมินอัซซาร์วมะวะห์นารุวมะลิ้ดจลมินมินอัซَาร์อีกรอบนึงวมะว่านะ ว่ามั่วห์นารว่ามลิผู้ที่ไม่ชอบธรรมจากผู้ที่มีความชอบธรรม فَرَالَذِينَ ّ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلِثُ ا ال ثَلَاثَةَ อ่าตรงนี้เป็นตัวซาทั้งหมดเลยปลายลิ้นนะซาซี่สู้ตัวปลายลิ้นนะแล้วก็ซาเนี่ยอยู่กันติดติดกันซาลีสูดแซเลซแอ่าตรง น, นี้ลิ้นก็จะอยู่ตรงตร ง, ต ร, ง, ต ร, ง, ต ร, งริมคะเลนะตรงไดฟันนะแบบนแตะ น, นิดๆเบาๆแต่ถ้าเกิดแบบออกมาเป็นตัวซีนก็จะเป็นหนักไปตัวซาเบาๆนะ อรอบหนึ่งและกอดกาฟาร์และวีนาโกลูอินนัลลอฮะสัลิสุสัลลาห ว่าไม่มีอิลล์ฮินอิลล์อิลลัหَอูอูอ้าหิดอาจจะมียาวนะตรงอิลลั ละอิลาหูอ่าหูเนี่ยเป็นเอ่อเป็นอิดเอร์กอมฮานกุล น, นะนะก็อ่านเข้าไปอิละหูวาฮิดอ่าหยู่ตรงนี้เลยนะวาฮิดอ่าอีกรอบหนึง่ง ว่าไม่มีอิลลัฮิอิลล و อิลลัฮูวِหิดอ่ามีกรนกร拉ด้วยว่าห د ด อย่าลืมนะมีก้อนกอลาด้วย ว, يد, ว่าฮีเดอีรอบหนึ่งว่ามินอิลลาหินอิลลาอิลาหูอาฮีด و إلَمْ ي َ ت َ ه ُ و َّ م َ مَا يَقُولُ ل َ يا الذ سن الذين كفروا منهم عذاب أليم لا يمس สันนั้นทีนักฟารูมมีอาญาบุญอิ่ม أفلا ََ يتوبون ََُ إلى الله َِّ ويستغفرون َُِ والله ُ غفور َ رحيم ม์ล์ม์ม์สีห์บ์นูม์ม์ย์แมอินลารัศว ا ์ม์ล و ل ์ม์สีห์บ์นูม์ม์ย์แมอินลารคัลมีกับลีรสลวอมมดีก อ, อ่านหยุดเลยนะซิดดีกอก อ, อาตาข้างหลังเวลาเห็นตากลมเปลี่ยนให้เป็นหายใหญ่ซิดดีกอ อ, อีรอบหนึ่งกด็ดาเละมิกอบลีฮิรุสูลว่อุมมุฮูซิดดีกอ กาณายกูลานิตตอัมกาณายกุลานิตตอัมไอกรอบนึงกาณ์นะกาณายกูลานิตตอัม อูคือไงนุบในั้นแล้มุลอายาติถุมดูอันน่ายุ่ฟักุน อรอบหนึ่งนะอุนวะจุรไกฟนุใบยนุละหูมุลอายาติทุ่มมะจุรอันนายุฟะกูน มาดูความหมายนะครับลากอดะลากอสนี่แปลวันแน่แท้แท้จริงแน่แท้แน่อ่าเป็นการเน้นนะลากอเดะเป็นอย่างนั้นอย่างแน่นอนกาฟารัลอัลเดีบรรดาผู้ที่กล่าวว่าอัลเลดีนากอลูบรรดาผู้ที่กล่าวว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นแน่ แ, นแท้เป็นผู้บัตเศษ กาเฟรูแปลว่าปฏิเสธศรัทธากาเฟตนั่นแหละนะกาเฟตนี้กาเฟตใหญ่นะมันจะมีกรุ๊ปอยู่สองอย่างกรุ๊แรกก็คือปฏิเสธอัลลอฮ์เป็นเจ้าเลยหรือปฏิเสธสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานลงมานะส่วนอีกรูฟหนึ่งเขาเรียกรูปเนี่ยมากรุปเนียม า, อ, าอะไรที่เป็นเนี่ยมัดแล้วเขาไม่รับเช่นอัลลอฮ์ใช้ให้ละมาด ขาดละหมาดทิ้งละหมาดละหมาดช้าละหมาดกอดอวันนี้ก็เด็กุฟเนี้ยมาเพราะคนละหมาดเนี้ยเอาล้อให้ความเมตตาความโปวดปานใจนี่ไม่เอาอ่ากรุ๊ปเนี้ยมาป ล, อลา่ปลอยเวลาให้มันหมดไปแล้วก็มากอดอเนี้ยอ่าส่วนหนึ่งก็บอกกุฟเนี่ยมาแต่ถามว่าเชื่อในการเชื่อว่าละหมาดเป็นวาห ย, ยิบไหมเชื่อเป็นเพระดูเชื่อในเอาล้อไม่เชื่อแต่เวลาเอาล้อประทานเนี้ยมัดไม่เอา อแต่จริงถ้าเป็นเนี่ยมัดเรื่องสตางเนี่ยเอาแต่ถ้าเป็นผลบุญอีกเรื่องนึง <c oughs> อ่งใช่ไหมใช้ให้อ่านกุร์ตอานอย่างเงี้ยอ่มันเป็นเนี้ยมัดเนี่ยทุกคนเนี่ยกลับไปเนี่ยถ้าตีผลบุญเป็นมูลค่าเนี่ยโอ้โหไม่ไหวจะขนไม่ไหวจะแบกสิบ <10 S 1> <10 S 2> ล้อไม่พ อ, อ, พอกี่บอกเนี่ยสิบล้อเข้าไม่พอ เ, เอาออกไปไม่พ อ, อใช่ไหมก็ทีกีพูดเนี่ย ไม่ไม่ใช่เกินจริงนะเพราะว่าไปละมาญานาซาเนี่ยนบีบอกผลบุญเท่ากับภูเขาอ่ามีคนถามว่าภูเขาอะไรเนะี่ยนบีบอกภูเขาอุฮุดพอบางคนพอเจอภูเขาอุฮุดเนี่ยพวกเราไม่เคยไปเมื่ก่อนไม่เคยไปอุ้มร้องก็ไม่รู้มันมันเป็นยังไงเหมือนเขาเขียวบาอาจารย์เคยไปแถวชนบุรีเห็นมีภูเขาเนี่ยพอไปทําอุ้มร้องเขาพาไปเซียร์ร้องไปเที่ยวเขาอุฮุดโอ้โหครั้นี้ไม่ขาดละมาญานาซาเลย รู้แล้วผลบุญเยอะขนาดนี้ใช่ไหมรถสิบล้อกี่คันน่กว่าจะขนภูเขาอุ้นหมดใช่ไหมนี่ภูเขาหินด้วยนะทั้งหนักแน่นแล้วก็ใหญ่โตมโหฬารดังนั้นกาฟาร์รอนละดีนะปฏิเสธปฏิเสธนี่คือปฏิเสธสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานลงมานี่เป็นกาเฟตเป็นกรุฟใหญ่ตกศาสนา นะกอลูเขากล่าวว่าไงอินนัลลอฮะฮุวัลมาซีฮอบานุมารยามอัลลอ์ก็คืออัลมาซีฮ์บุตรของมารยามนะใครที่คิดแบบนี้เชื่อแบบนี้ก็ถือว่าตกศาสนาเลวเป็นผู้ปฏิสเสธศรัทธาแล้วไม่ได้ว่าเป็นมุสลิมดังนั้นชัดเจนเลยว่าแนวความเชื่อเรื่องของตรีเอกานุภาพตรี เอกานุภาพหรึเปล่าผมไม่รู้ชื่อเดยกถูกป่ะคือมีพระเจ้าสามองค์สามในหนึ่งนะมีมีหนึ่งแล้วก็แยกออกมาเป็นสามหรือไงนี่เลยนะอันนี้ขอมาอัพด้วยพี่น้องผมก็ไม่ได้ศึกษาทางด้านคริสเตียนมาแค่กลุม่มต่างๆในอิสลามนี่เขามาไว้จะปวดหัวแล้วยังต้องไปไปศึกษาศา ส, สนาอื่นอีกมันก็ลาบากนะแต่แน่นอนว่าสิ่งที่เราต้องรู้ ก็คือข้อแตกต่างระหว่างความเชื่อของเราที่มีต่อนบีอีซากับความเชื่อของอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาเชื่อเกี่ยวกับนบีอีซาก็คือพระเยซูเนี่ยเป็นยังไงนะจริงๆแล้วผมว่ามีมีการพูดเรื่องนี้เยอะนะส่วนเรื่องพระเจ้าเนี่ยก็เห็นต่างกันอยู่เลยเพราะว่าไอาการเชื่อเรื่องนบีอีซาเนี่ยมันไป ไปอะไรนะไปไปเกี่ยวพันกับพระเจ้าด้วยไม่ใช่แค่เชื่อแค่เรื่องอีสัยเดี๋ยวเขาเชื่อเกี่ยวกับอัลลอฮ์กลายเป็นอัลลอฮ์เนี่ยแบ่งพาดลงแบ่งพาดลงมามาเป็นมนุษย์แล้วก็กลายเป็นลูกอ่ากลายเป็นลูกก็มีคําถามหนึ่งบาทหลวงคนหนึ่งไปเจอกับโตครูคนหนึ่งบาทหลวงก็ถามว่าสบายดีนะ คนมุสลิมก็บอกสบายดีอัลฮัมตูดินละคนมุสลิมคนนี้เป็นโตครูก็ถามบาทหลวงว่าสบายดีนะเขาก็บอกว่าสบายดีเสร็จแล้วก็ถามต่อว่าแล้วก็ลูกของลูกลูกหลานของท่านไม่ได้มาเดอภรรยาท่านครอบครัวท่านไม่มาเอเขาบอกว่าอ๋อเราเป็นบาทหลวงเราคองศีลคลองธรรมเราไ ม, ม่ยุ่งเกี่ยวกับสตรีเราไม่มีลูกเพราะบาทหลวงเนี่ยในคำสอนของเขานี่ก็คือว่าจะต้อง ตัดขาดทั้งโลกไม่มีลูกไม่มีภรรยาแล้วก็สถานที่ที่อาศัยอยู่ก็คืออยู่ในโบด์อย่างเดียวเลยก็คำว่าบาดหลวงก็คืออยู่ในอยู่ในโบทนั่นแหละอาศัยอยู่ในนั้นนะครับเขาก็บอกว่าคนมุสลิมก็ถามว่ามันมันเกี่ยวอะไรล่ะคนที่คนที่อะไรนะคนที่จะแสดงความบริสุทธิ์เนี่ยจะต้องไม่ยุ่งกับผู้หญิงไม่ต้องไม่มีลูกเนี่ยเขาก็บอกมันเป็นการฝึกของพวกเรา ไม่อยากจะไปคล้องเกี่ยวกับสตรีไม่อยากจะมีลูกให้มันวุ่นวายมุ่งกับพระเจ้าอย่างเดียวเลยคราวนี้คนมุสลิมก็เลยถามตอบว่าแล้วท่านมีมีเหตุผลอะไรทําไมไปบอกว่าพระเจ้าของท่านเนี่ยมายุ่งมามามีลูกขนาดท่านเนี่ยยังไม่มีลูกเลยท่านบอกว่าท่านเนี่ยบริสุทธิ์ท่านไม่มีลูกแล้วท่านไปกล่าวหาพระเจ้ามีลูกเนี่ยหนักกว่าอีกไหมแล้วพระเจ้าของท่านจะบริสุทธิ์ยังไงในเมื่อพระเจ้าของท่านมีลูก แต่คําสอนของท่านเนี่ยที่ท่านยึดอยู่เนี่ยคือท่านไม่มีลูกไม่มีไม่มีเลยนะไม่มีไม่มีภ ร, นะรรยาและท่านก็บอกว่าท่านเนี่ยบริสุทธิ์แต่ท่านกำลังกล่าวหาพระเจ้าของท่านว่ามีลูกก็ไม่บริสุทธิ์แล้วสิตัวท่านเน่ยบริสุทธิ์กว่าพระเจ้าอีกนะเออไปไม่เป็นเลยค่ะนี่งงถ้าถ้าเอาแนวคิดว่าฮัตยาคุยคุ ย, คยอย่าคุยกันนะฟังฉันหน่อย <laughs> มันงงยิงอยู่ในหัว <laughs> นึกไม่ออกเอออายเสื อ, อนายนะ <c oughs> คือท่านกําลังบอกวิธีการทําให้ตัวของท่านบริสุทธิ์คือท่านไม่มีลูกแต่ท่านเน่ยไปบอกว่าพระเจ้ามีลูกนี่มันสวนมันสวนทางมันย้อนแย้งกันมากเลยนะก็เป็นคําสนทนาระหว่างคนที่เชื่อ อ, อีกแบบหนึง่งแต่ครนี้ไอการสนทนาตรงเนี้ยเพื่อให้เกิดปัญญานะ ไม่ใช่ไปอะไรไปด่าเพราะว่าไอ้การไปบริภาษศาสนาเอาล้อห้ามเอาไว้คือไปถึงก็ไม่มีอะไรใส่อย่างเดียวด่าอย่างเดียวเลยเนี่ยสักพักหนึ่งเขาก็ด่ า, าล้อจะเหลือไหมล่ะถ้าเราไปด่าพระเจ้าเขาเขาก็ด่าพระเจ้าของเราดังนั้นไอ้การพูดเนี่ยจะต้องพูดบนฮิกมะหมายถึงว่าให้สติปัญญาให้เขาได้คิดคิดดูซิว่าตัวท่านบริสุทธิ์แต่ท่านกําลังบอกพระเจ้ามีลูกเนี่ยมันจะบริสุทธิ์ไหม อค่นี้ต่อมาใครที่บอกว่าพระเจ้าหรือคืออัลลอฮ์เนี่ยคืออัลมาเซียบุตรของมารยัมก็ถือว่าตกเป็นผู้ปฏิเสธแล้วเป็นกาฟเฟตวก็ล่นมาซีฮุยาบานีอิสราอีละบุดุลโลแล้วก็ได้กล่าวว่าโอ้วงวานของอิสราอีนเอ๋ยจงเคารพต่อลอ นะจงเคารพต่อลอผู้ผู้เป็นพระผู้อภิบาลของฉันและพระผู้อภิบาลของเจ้าเถิดให้เคารพต่อลอที่เป็นพระเจ้าของท่านแลวก็เป็นพระเจ้าของเราของฉันนะแท้จริงผู้ใดที่ทำให้เกิดมีพาคีขึ้นแสดงว่าการที่กล่าวหาว่าอัลลอฮ์เป็น เป็นพระเยซูหรืออะไรนี่นะเนี่ยอัลลอฮ์คือเป็นส่วนหนึ่งของเนี่ยเป็นลูกมีลูกอะไรเนี่ยก็คือการทําชีริกคือส่วนหนึ่งของการตั้งภาคีนั่นแหละเมื่อตั้งภาคีแล้วฟาก็จะฮาร์รอมลอหัวไลฮินจันนะอัลลอฮ์จะห้ามเขาเลยเป็นที่ต้องห้ามแก่เขาเลยสําหรับสวรรค์แสดงว่าเรื่องของชีริกเนี่ยถ้าใครที่มีชีริกชีริกใหญ่นะถูกห้ามจากสวรรค์เลย เข้าไม่ได้วามะวาหุนนาธแล้วแน่นอนว่าเมื่อไม่อยู่ในสวรรค์เนี่ยที่ำนักของเขาก็คืออยู่ในนรกวามาดิซอลิมีนามินอันซอสและสำหรับผู้ที่อาธรรมย่อมไม่มีการช่วยเหลือใดๆไม่มีการช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นนะตัวของเขาเองก็คือบุคคลที่ซอลิมกับตัวอาธรรมกับตัวเขาเองจะไปหวังในโลกหน้าจะให้คนนั้นมาช่วยคนนี้มาช่วยไม่ได้คราวนี้ในหลักความเชื่ออันหนึง่ง ของชาวคริสต์เนี่ยเขาเชื่อว่าการการเชื่อในพระเยซูเจ้าเนี่ยก็คือการไถ่บาปหลักหลักคำสอนหลักๆคือการไถ่บาปแต่การไถ่บาปเนี่ยคือการแค่เชื่อแค่ศรัทธานในพระยูพระเยซูก็ถือว่าเป็นการไถ่บาปละได้เข้าสวรรค์ละเพราะเหตุว่ามีคนไถ่บาปใหญ่ให้เพราะเขาเชื่อว่าพระเยซูเนี่ยถูกตรึงไม้กางเขนเพื่อจะไถ่บาปพระเจ้าเนี่ยเสียสละตัวเองนะ มาตายเพื่อจะไถ่าบาปให้กับมนุษย์ดั้นเพียงแค่เชื่อก็คื อ, อลลว่าพ้นแล้วท่านี้ในหลักการศาสนาของเราเนี่ยพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายเชื่ออย่างเดียวเนี่ยยังไม่สมบูรณ์ต้องทําด้วยโอ้ยเราเรามีอัลลอฮ์อัลลอฮ์อยู่ในใจแต่ในมือนี่ถือขวดเบียร์อ่านี้ไม่ใช่อัลลอฮ์อยู่ในใจแต่ในมือถือขวดเบียร์ขวเหล้านะเมาลาน้ำนะอันนี้ไม่ใช่ แล้วก็อันนึงนะพี่น้องมันจะมีความเชื่ออีกอันหนึ่งที่คล้ายๆกับคริสคือเป็นการยกยอปอปั้นโตวลีอ่าต้องพูดกันตรงๆใครที่รับแนวทางของโตวลีท่านนี้ถึงเวลาก็ไปนั่นแหละไปทำอะไรผมก็ไม่รู้แหละไปซียรรอไปอะไรเชื่อในโตวลีเนี่ยโตวลีจะพารอดทั้งหมด นี่คล้ายแนวพระเยซูเหมือนกันนะเนี่ยเชื่อในพระเยซูรอดเชื่อในโตวารีโตวารีจะช่วยหนึ่งสองสามสี่ครั้นี้ยกแบบนี้เนี่ยก็กลายเป็นว่าไปผ่านนะไปผ่านสิ่งหนึ่งสิ่งใดและนะเป็นสื่อแหละก็กลายเป็นชีริกเหมือนกันนะนั้นคนที่ไปขอกับกูโบขอกหลุมศพนะและก็เชื่อว่าหลุมศพนี้จะให้คุณให้โทษวิญญาณของโตกีโตวังจะให้คุณให้โทษอันนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่เชื่อในพระเยซูนะั เออเหมือนกันเป็นการฟิเหมือนกัน น, กะ น, ก น, นะดังนั้นออในหลักการศาสนาของเราเนี่ยเราจะไม่ยกบุคคลจนกระทั่งเกินขอบเขตอ่านะไม่ยกบุคคลจนกระทั่งเกินขอบเขตเหมือนกับกลายเป็นสถานะเป็นพระเจ้าไปแล้วให้คุณให้โทษได้แล้วนะแต่เรามองบุคคลต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เสมือนกับพวกเราถ้าเราซูนเองท่านก็เป็นมนุษย์เหมือนเรา มีการแต่งงานมีการกินมีการดื่มมีความรู้สึกต่างๆแต่แน่นอนว่าท่านรอซูลนั้นอัลลอฮ์ได้ยกเกียรติของท่านด้วยกับตําแหน่งการเป็นรอซูลนะครับแต่ท่านยังเป็นสภาพยังเป็นมนุษย์อยู่เลือดไหลนะนบีเนี่ยเออในสงครามอูฮุดี่เลือดไหลนะบางคนเนี่ยมีความเชื่ออันหนึ่งนะเขาสอนอยู่ในในอะไรนะออในกีตารมาลายูเหมือนกันเขาเคยเพราะว่าคนเขาเนี่ยเขาไปเรียนกีตามาลายูเขาบอกว่า ใครที่ได้ได้กินเลือดนบีเนี่ยนรกจะไม่จะไม่สัมผัสเขาฉันก็บอกว่าไอ้ไอ้กินเลือดนบีเนี่ยมันเป็นเด็คุณล่าหรือยไงมันเชื่ออะไรแบบนี้มีด้วยเหรอกินกินเลือดนบีใครจะมากินงั้นนบีโดนกินเลือดหมดแล้วเออนี่มันคล้ายๆพระถังเหมือนกันนะกินเนื้อแล้วเชื่ออะไรเงี้ยฉั้นบอกว่าความเชื่อพวกนี้มันมันเลอะเทอะและสุดท้ายมันก็กลายเป็นว่าไปยกสถานะจนกระทั่ง คนที่จะรอดพ้นจากไฟนรกก็คือปฏิบัติตามท่านนาบีไม่ใช่ว่ากินเลือดนบีเออแล้วมันยากไหมล่ะกินเลือดนบีจะยากนะจะไปเชื่อแบบนั้นนะมีบางคนเขียนไว้ตําราอเลยก็ไม่รู้ฉีนบีเยี่ยวนบีอะไรนี่แหละนะอ้อาวอายะหนึ่งต่อมาว่าละก็ดะกะฟอรอดละดีนากอลูและแท้จริงบรรดาผู้ที่กล่าวว่าอ่ะกล่าวว่าอะไรอินนัลลอฮะซาลิซุซาลาซะ อัลลอฮ์นั้นเป็นที่สามของสามองค์มีมีอัลลอฮ์อัลล์เป็นหนึ่งในสามขององค์สามองค์ก็ถือว่าก็ได้ตี ต, ตีเอากนาุภาพนี่ไงถือว่ากลายเป็นผู้ที่ตกศาสนาปฏิเสธศรัทธาแล้วนะว่ามะมินอีลาหินอินลาวะฮิดูะฮิเด ไม่มีพระเจ้าที่สมควรจะสักการะนอกจากพระเจ้าเพียงแค่องค์เดียวเท่านั้นนี่คือหลักศรัทธาของพวกเราอัลลอฮ์องเดียวเท่านั้นไม่มีมากกว่านี้แล้วและเราและเราเอาเราขอโทษดีและเราให้สถานะนบีอีซาหรือพระเยซูยัยงไงก็คือเสมือนกับท่านนาบีมุฮัมมัดของเราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์และก็เป็นรอซูลนะครับอัลลอฮ์ออบอกต่อว่า ว่าอิลามยันต ahu amaya kuluna laya masan naldina k a f minhum u n alim และหากพวกเขาเนี่ยมหยุดยัง้งไม่หยุดยั้งจากสิ่งที่พวกเขากล่าวยังไม่หยุดยังเชื่อแบบนี้อยู่ยังกล่าวใส่ร้ายเอาล้อแบบนี้อยู่เนี่ยแน่นอนบรรดาผู้ปฏิเสธเขาจะบรรดาผู้ปฏิเสธสธานในหมู่พวกเขานั้นก็จะประสบการลงโทษจะพบเจอกับการลงโทษที่เจ็บปวดเจ็บแสบ ออลลีมก็คือเจ็บอฟัฟละยาตูบูนะอิ ล, ลัลนะพวกเขาจะไม่สำนึกกับเนื้อกับตัวกับใจต่อโลหรือนี่ถามเป็นคำถามนะเล็กก็ขออภัยโทษต่อพระองค์กันนั้นหรือรู้แบบนี้แล้วเนี่ยเจอความจริงแบบนี้เนี่ยยังไม่สำนึกผิดอีกเหรออนนี้จะเป็นเป็นอะไรนะเป็นคำถามเวลาเขา ท่านเปาเขาถา ม, มานะยังไม่สํานึกอีกเหรอเอาหลักฐานมาโชว์ให้หมดแล้วยังจะดื้ออีกเหรอเออเอาล้อก็ถามเนี่ยเอาล้อบอกขนาดนี้แล้วเนี่ยัยงจะดื้อกับพระองค์อีกเหรอพี่น้องรู้มไหมว่าแนวคิดตรีเอกานุภาพเนี่ยเมื่อก่อนผมดูอาจารย์ท่านหนึ่งท่านบรรยายนะท่านบอกว่าไม่มีสาวกหรือซาอบาสนะซเป็นเสียก็คือสาวกมันมีสิบสองคนนะ่ยที่อยู่รายล้อมกับท่านนาบีอีซาก่อนที่ถูกจับไปนะ แต่ว่าเราเชื่ออีกแบบนึงว่าอัลลอฮ์ยกขึ้นไปแล้วไอ้คนไอ้นั่นมันตัวออไม่ใช่ไม่ใช่นบีซาไอแนวความคิดเนี่ยมาเกิดจากคนที่ไม่ได้พบเจอนบีซาด้วยเป็นคนที่ไปเจอนบีซาตอนที่นบีซาเนี่ยตายไปแล้วเออแล้วเขาก็เขียนบันทึกเอาไว้แล้วก็เป็นตุเป็นตานะเขียนว่านาบีซาฟื้นอสามวัน่ว่ากันไปเขาถึงไม่ไม่ใช่อะ่ะแล้วก็เอาแนวความคิดเนี่ยมาสอน คือที่มาก็แบบน่ากลัวแล้วคืออะไรคือไม่ได้เป็นคําสอนของนบีซาเปนคนที่ไปเจอไปเจอว่านาบีซาตายแล้วก็ทึกทักเอาไม่ได้อยู่ในคัมภีร์ของเขาด้วยในคำพีเขาก็ไม่ได้บอกแต่คัมภีร์ของเขาใช้คําว่าพระบุตรก็จริงแต่พระบุตรตรงนี้ก็คืออับดุลลอห์บาวของอลอห์ไม่ใช่บุตรเพราะเป็นการเทิดเกียรติเพราะในกนกุฎอ่านนี่จะไม่ใช้คําว่าบุตรเลยเพราะว่าพอใช้บุตรปั๊บเดี๋ยวโอกาสในการเข้าใจผิดก็เลยเปลี่ยนเป็นบ่าว จากบุตรก็กลายเป็นบ่าวแต่บุตรเนี่ยความหมายของมันจริงๆก็คือบ่าวของล้อเหมือนกับเราเอ็นดูใครเนี่ยเราก็เรียกเป็นลูกอะ่ะแต่จริงเป็นลูกเราไหมไม่ใช่หรอกหนูเอ้ยลูกเอ้ยกินนมหน่อยนะแสะดงว่าเราเนี่ยเอ็นดูเด็กคนนี้มากเลยเรียกเป็นลูกแต่จริงเป็นลู ก, กเราปะไม่ใช่นึกออกมไหมืเวลาเราเรียกใครเนี่ยไอย้หนูมาหา ย, ย่อหน่อยยิงไม่ใช่ยอหรอกนะลูกเอ้ยเี่ย มันเป็นการเรียกแต่ความหมายเขาไม่เข้าใจไงนะอแล้ววิญญาณของอัลลอฮ์เนี่ยรัวหุ่นล้อเนี่ยก็ไม่ได้หมายวองเป็นวิญญาณของอัลลอฮ์เป็นวิญญาณที่เอาล้อประทานให้เป็นวิญญาณที่มีเกียรติคำว่าโรัหุ่นล้อเนี่ยไปเข้าใจว่าเป็นเป็นวิญญาณของอัลลอฮ์แบ่งภาคลงมาอีกนี่มันคือคนไม่เข้าใจไงแต่คํามันมันตีความไปกันได้แต่ต้องมาดูความหมายที่แท้จริงคืออะไรวิญญาณที่มีเกียรติรัวหุ่นล้อเนี่ยหมายถึงวิญญาณที่มีเกียรติที่อัลลอฮ์ให้เข้ามาในคร์ของงพนา มารยาムนะเออเอา้าวต่อมาเหมือนมะสีดอะบ้านของล้อก็เป็นบ้านที่มีเกียรติไม่ใช่แปลว่าอล้อมาใส่อยู่ในใ น, ใ น, ใ, นในบ้านนี้เออในใบตุ้นล้อเนะี่ยไม่ใช่อา้าวต่อมาอา่วัลลอฮหุกะฟูรุรอฮีมอัลลอฮ์านั้นอภัยโทษและทรงเมตทรงเมตตายิ่งอภัยโทษยิ่งมัลมาซีฮุบานูมารยาอิ ล, ลัดรอซูลอ่า เน้นอีกอันหนึ่งอัลมาเซียเนี่ยเป็นที่เป็นบุตรของม่ายามเนี่ยไม่ใช่อื่นใดเลยก็เป็นรอซูลท่านหนึ่งซึ่งบรรดาศาสนาทูตก่อนเขาก็ได้ล่วงรับไปแล้วเข้าใจไหมก็คือรอซูลท่านหนึ่งถามว่าคนอื่นเนี่ยเาตายไม่ก่อนท่านนาบีซาเนี่ยตายหมดแล้วก็ตายหมดแต่ถ้าบอกว่านาบีซา เชื่อว่านบีซาตายเนี่ยสมมติเชื่อว่าตายนะ mm hmm. ก็ไม่ต่างอะไรกับราสูทหร mm hmm. ก็ตายเหมือนกันแต่ยิงนบีซายไม่เสียไนะยังไม่ตายเอาลอยยกขึ้นไปบนชั้นฟ้าเดี๋ยวจะลงมานะอ้าววัอุมโมหูซิดดีก็แม่ของขาก็คือแม่ของนบีอิสานั้นเน่ย mm hmm. เป็นคนที่มีสั จ, จวาจาพี่น้องรู้ไหมว่ามารยามเนี่ยแปลว่าอะไรมารยาทนี่ยแปลว่าหญิงที่อุทิศตนเพื่อรับใช้พระเจ้า อีความหมายหนึ่งก็คือหญิงที่มากด้วยกับการอิบาดัสมารยเำยเพราะว่าอยู่กับสุเราอยู่กับในในนั่นแหละชื่ออะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้ละเอออยู่ในที่เขาทําการสักการะต่อลอเนีะ่ะเป็นภาษาฮิบรูนะมารยำไม่เป็ภาษาอรับเป็นภาษาฮิบรูหลายๆอันเนี่ยสุไลมานเอยเนี่ยแต่เราก็เรียกมันเป็นภาษาอ раб เพราะว่ามาสู่เป็นภาษาอ раб ที่มาของมันเป็นภาษาฮิบรูแล้วก็มาใส่เนะความหมายก็เนี่ยแปลว่า หญิงที่มากด้วยอิบาดาแล้วก็อุทิตตนเพื่อรับใช้อัลลอ่อทั้งสองนั้นรับประทาน <c oughs> กานายะกุลานิตต่ออามทั้งสองนี่หมายถึงใครทั้งพนางมรยมและก็นบีอีซาเนี่ยล้วนแต่ต้องทานอาหารทั้งนั้นถ้าเป็นพระเจ้าจริงเนี่ยต้องไม่มีการกินเล้วมีหิวมีกินมีกระหาย เมื่อมีลักษณะแบบนี้คือลักษณะของมนุษย์ครับอ่างนั้นมีคนถามอาจารย์ไม่กินข้ามังเหรอกินสิครับไม่ใช่มาลร็กาเจน ก, ก็จะตอบไม่ใช่มาลราา็งเจนไหมอ่าต้องใช้สตางไหมใช้เยอะเลยครับผมเพราะว่ามีหน้าที่เยอะเจนไหมเออดังนั้นเป็นมนุษย์มีกินมีดื่มต้องใช้สตางวันก่อนเนี่ยผมขึ้นรถบัส นะครับแล้วก็มีมีมีพระสงฆ์เขาก็นั่งอยู่ด้วยนะแต่ว่าผมไม่รู้เขาเก็บตังค์หรือเปล่าน ะ, ะแต่ว่าพระที่เขาวควักควั ก, วกออกมาจากย่ามของเขาก็เป็นเงินใส่ถุงไม่มีกระเป๋าตังค์เลยนะเงินใส่ถุงแล้วก็น่าจะเอามาจ่ายด้วยยังไงผมก็ไม่รู้หรือว่าดับตังค์เฉยมีไม่เยอะหรอกมีแบงค์้อยอยู่ไม่กี่ใบน่าจะเดินทางมาเพราะไาไปส่วนไปดอนเมืองมา อ่าแล้วคราวนี้โต๊ะคูเนี่ยโตคูควักกระเป๋าตังเหมือนกันแต่เปิดไม่มีตังมีแต่กระเป๋าอันนู้ น, นไม่มีกระเป๋าแต่มีตังอันนี้ไม่มีสุดท้ายใช้สแกนจ่ายได้แต่นี่รถเมยทันสมัยนะสะแกนจ่ายได้ด้วยนะอันนี้สําหรับสนามบินนะครับเขาแพงหน่อยสามสิบาทก็สแกนได้ก็เล่าให้พี่น้องฟังว่าก็ต้องใช้สตงางนะการใช้สตางการกินการดื่มนี่เป็นลักษณะของมนุษย์ แล้วมโนมุตย์มีคนบอกว่าเนี่ยผมเป็นโตวลีเนี่ยแกไม่กินไม่ดื่มแล้วเนี่ยนี่เลอะเทอะนะโกหกอ่ะนี่เป็นคนหรือเปล่าเนี่ยทําไมกินไม่ดื่มเนี่ยมันต้องเป็นม า, า, ามนเลกาใช่ไหมแอนั่นถ้าเป็นคนเนี่ยต้องมีกินมีการดื่มเนี่ยอัลลอฮ์บอกอุลซุตพิจารณาดูสิไกฟานูใบยนุละหุมุลอาญาดนี่คือเครื่องหมายที่อัลลอฮ์ให้ไว้แยกเลยมนุษย์มีกินมีดื่มมาเลกาไม่มีกินไม่มีดื่ม พระเจ้าไม่มีการพึ่งพาอาศัยมคลุกจําไว้เลยพระเจ้าจะต้องไม่อาศัยมคลุกแต่มัคคลุกทุกอย่างต้องอาศัยพระเจ้าใครบอกเป็นอ้างตนเป็นพระเจ้าแล้วยังอาศัยอยู่เนี่ยยังหายใจหายใจอยู่ต้องอาศัยกินอยู่เนี่ยไม่ใช่พระเจ้าแท้หรอกป้อมทั้งนั้นเออถ้าเป็นพระเจ้าจริงต้องไม่อาศัยมคลุกไม่พึ่งพาอาศัยมคลุกนะและไม่เหมือนด้วยไม่เหมือนกับมคคุลุก อันดูใครฝนุบายนูลหลุมุลอายะสุมสุมสุมมัธรอ์อันนาอัน ด, ดูคดีสุมมันรุ่อันนายุฟะกูนแปลว่าอะไรแปลว่าจงดูเถิดอย่างไรเล่าที่พวกเขานั้นได้หันเหไปได้มันอะไรกันน่ยมาถึงหันเหไปได้พี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายครับจริงๆแล้วยังมีอายะกุรานนะในสุรอมมารยามอายะที่สามสิบสาสิบได้เล่ารายละเอีๆๆยดเยอะเลยเกี่ยวนบีอีสา ตั้งแต่ตอนเกิดเลยซึ่งนบีซาเนี่ยวันที่พูดในเปเนี่ยที่อุ้มมาเนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่านาบีซาพูดว่าอะไรพูดว่าอินนีอับดุลลอห์ไม่มีอะไรบอกว่าเป็นลูกของลอเนี่ยบอกว่าฉันเป็นบ่าวของอัลลอฮ์นะท่านไม่เคยพูดเลยนะว่าท่านเป็นบุตรของอลอเนี่ยคำพูดของนบีอีซาเราเนี่ยและก็พระเยซูคนที่คุณเชื่อเนี่ยไม่มีคําพูดไหนเลยบอกว่าท่านเป็นพระบุตรนะ ถ้ามีก็คิดขึ้นมาเองก็เป็นคำสอนของบาทหลวงที่พยายามเปลี่ยนแปลงแต่แต่คำพูดติดแท้จริงเนี่ยไม่มีเลยนะครับอ่ะแล้วก็นี่ก็คือเรื่องของอัลบะเซียนะครับอ่ะเดี๋ยวเราอ่านต่อนะกุลอะตับูดูเนมิดุนิลลาฮิมาลลยมลิกุลกุมดอร รอวะลาหน้าอั้นอีกรอบหนึ่งนะ กุลอาตากุฎ right. really? ูนไม่ดูในหลามาแล้วยมลิคุณละคุมร่า و َ ل า ا ن َ فع วะแลหุห al ุวะสัม ah. al ีอุลอาลิมมีมีฮาสองตัวนะวะแลหุหวะสวะแลหุหวะสวะแลหุหวะสัมีอุลอาลิม กุรยาอัลกิตเบิละตะลูฟิดีนิคุมโอยรอฮ อมีก้อนกอล้าด้วยนะหกักเกาะบางคนบอกอ่ะไม่กี้เหรอเรามันถ้าอ่านกี้เราต้องอ่านต่อจะอ่านต่อเนี่ยอ่านกี้ถูกแล้วแต่นี่อ่านหยุดนะฮะเสียงก็จะซ้อนก็ไปเสียงฟัท้าทั้งหมดแต่เสียงครึ่งนึงน ะ, อ, ะอีกรอบหนึ่งกุเล <Good S 1> <Good S 2> yeah. ลัลกตบิลตะลูฟดีนุมไกรอัละก็วะลาต ตั้บ و ق ق ت ت ا أهواء قوم قد ظلوا من قبل ว่าต ت ้บิ ع أهواء قوم قد ظلوا من قبل อะ อยู่ตรงนี้ก่อนนะมีกอบลกอบลเริ่มมีลามยกลิ้นนี่กอบลนะมีลามอยู่ข้างหลังนิดนึงวะลาตับีอูอัลวะกูมีกอดดัลลูมีกอบลดัลกอด وَأَضَلُّوا ُละไมَไ سَوَاءِ السَّبِيلِ ว่าดั่ลุยรับหน้าวَ ض َ ل ُล و ค ثير วَ่ว่าดั่ลุแงสวาอิสบิลว่าดั่ลุค ثير َ่าว่าดั س َุแงสว ซบีอ่ามาดูความหมายนะอืมกุลจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าอาตาบูดูนนมินดูนิล่ละบอกว่าพวกเจ้าเนี่ยจะเคารพสกการะอื่นอื่นดูนี่แปลว่าอื่นอื่นจากอัลลอฮ์มาลายัมลิกุลละกุม สิ่งที่ไปสาการะอื่นจากอัลลอ์เนี่ยเป็นไงยัมลิกูไม่ได้ครอบครองและยัมลิกูไม่ได้ครอบครองครอบครองอะไรครอบครองอำนาจไม่มีอำนาจหรือจะให้อันตรายวเลนฟอาหรือให้ประโยชน์ใดๆอะไรแก่พวกเจ้าได้เลย อสิ่งที่เราไปคือคนอื่นนะ่ยนะอันนี้มุสลิมเราไม่มีปัญหามุสลิมเราเนี่ยพูดง่ายๆว่าเราไม่มั่วไม่มั่วนะเพราะเราเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเรากลับไปหาอัลลอฮ์หมดอันนี้เป็นคําพูดแม้กระทั่งคนที่เป็นคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขายังชื่นชมนะ อ, อคือบางอย่างเนี่ยด้วยกับสติปัญญาเขาบอกมุสลิมเนี่ยไม่มั่ว อ, อคือ ทุกอย่างของเขาเนี่ยเขาจะมุ่งกลับไปที่อัลลอฮ์ทั้งหมดเลยและไม่นับถืออะไรเลยพูดง่ายๆว่ามุสลิมไม่มีเรื่องของวัตถุศักดิ์สิทธิ์เออแม้กระทั่งพี่น้องรู้ไหมว่าขนาดอาคารสี่เหลี่ยมก้าบ้านเนี่ยบางคนบอกว่าเป็นอาคารคือมีเกียรติแน่นอนแหะเป็นบ้านของลอรมีเกียรติอยู่แล้วเป็นสิ่งถูกสร้างที่นบีบุรอฮีมสร้าง ถามว่ามีเกียรติไหมมีเกียรติแต่ไม่ได้มีแต่ว่ามันไม่ได้สามารถจะให้คุณให้โทษอะไรเรากล่าไวไหว้พระเจ้าของกาบาไม่ใช่กกาบาเออมีคนบอกว่ามุสลิมเนี่ยไปกราบไหวอาคารสี่เหลี่ยมอืมใครบอกสี่เหลี่ยมตรงนั้นเป็นลักษณะทิศที่เรามุ่งไปเรากลาบไหวพระเจ้าของกาบาเพราะอัลลอฮ์ใช้ให้เราหันไปทางกิบลาแค่นั้นแหละ ดังนั้นเวลาละหมาดเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปมองกาบาเรามองที่สุยูดเราเนี่ย mm hmm. ใช่ไหมเวลาเรามองเนี่ยแต่คราวที่เวลาเรายกมือขอเนี่ยเราต้องขอกับอาลพระเจ้ากาบาอย่าไปหยุดยิด ต, ติดใกล้หินนั่นนะ <c oughs> สี่เหลี่ยมในยุ่งเลยนั้นอิสลามเราจึงมุ่งที่เอาล้อทั้งหมดเขาบ่กมีหลักฐานไหมว่าอิสลามไม่นับถืออาคารสี่เหลี่ยมก็วันที่พิชิตพิชิตเอ่อวันที่พิชิต อ, อิสลามพิชิตมักการเนี่ย ท่านนบีใช้ให้บีล้านปีนปีนอะไปีนอาคารกาบาแล้วเหยียบข้างบนกาบาแล้วก็ทําการอาจารถ้าของศักดิ์สิทธิ์นี่มีเหยียบไหมถ้าเราคิดว่าอะไรศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเรากล้าเหยียบไหมไม่กล้าหรอกเออแต่นี่นบีใช้ปีนขึ้นไปบนอาคารแล้วก็อาจารเหยียบบนกาบาเลยแล้วทุกวันนี้เวลาเขาเปลี่ยนผ้ากาบานเนี่ยเขาก็เหยียบขึ้นข้างบนนั่นแหละก็เหยียบเนี่ยก็เป็นอาคารเออ นะคราวนี้การให้เกียรตินี่ก็คือไม่ใช่การไปอะไรไปไปดูถูกแต่ปกติก็ไม่ได้ไปเหยียบอยู่นะไม่ใช่ว่พังแบบนี้อาจารย์ฉันจะปีนขึ้นเหยียบไม่ใชอ่อันนี้คือนบีใช้ขึ้นไปอาจารย์แต่พอตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่มีสิ่งปลูกสร้างอะไรที่สงูงก็มีแค่กาบาที่สูงขึ้นมาเขาก็ปีนไปบนลงังคาบนลงังคากาบากระลงังคาเป็ น, เ ป, นเป็นลงังคาขึ้นไปนะคราวนี้มุสลิมเราเนี่ยอัลลอฮ์องเดียวง่าย ไม่ต้องไปแสวงหาวัตถุศักดิ์สิทธิ์อะไรมีอะไรไม่ต้องมีพยงพยันแล้ไม่มีเลยวัตถุคือจะมาหากินเรื่องของของศักดิ์สิทธิ์กับเราเนี่ยมุสลิมเราเนี่ยหากินไม่ได้แล้วนะเพราะเรามีอัลลอฮ์คราวนี้อัลลอฮ์จึงในอายะเนี่ยอัลลอฮ์จงกล่าวถึงมูฮัมหมัดว่าอื่นที่ไปเคารพสักการะกันเนี่ยดอเราเลานะฟ้ามันให้คุณให้โทษได้เด้อเออมันให้คุณให้โทษได้เด้อคำตอบก็คือไม่ได้ วะลอหุสวะลอุหุอัซามีนอลิมนะอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้กุลยาอัลัลงกีตาบอันนี้กล่าวถึงอั ah ลัลงกิตาบและจงกล่าวเถิดว่าโอ้ชาวคัมภีร์ทั้งหลายจงอย่าทำให้เกินและตกลูฟ um ีดีนีกุ้มเกินขอบเขตคำว่าเกินขอบเขตในแปลว่าอะไรก็เพิ่งพูดถึงนบีใครนบีอีซาใช่ไมเขาเกินขอบเขตเรื่องอะไร ไปยกยอจะมีอีซาเป็นพระเจ้าไปเลยสถานะเท่ากับพระเจ้านี่เกินเกินขอบเขตเหมือนกันนะอย่ายกคนเกินขอบเขตชมจนกระทั่งแทบไม่มีข้อเสียอะไรแล้วจุดศูนย์รวมของความดีทั้งหมดอยู่ที่เราไม่มีไม่มีข้อผิดอะไรเลยโอ้โหนาน้าโก้ไอพวกเนี้ย อ, อ, อย่ายกจนกระทั่งเกินขอบเขตนะให้ยกอยู่ใน อยู่ในกรอบของมันให้เกียดกันได้แต่ไม่ใช่วเวอร์วางอลังการหูยต้องเกินต้องเงนั้นนะไม่ได้นะเพราะไอ้คำว่าเกินตรงนี้คือออกจากตําแหน่งนบียกนบีอีสาจนกระทั่งเป็นพระเจ้าไปแล้วออกจากตําแหน่งการเป็นนบีเชื่อไหมว่านาบีมอมัทของเราเนี่ยตอนที่ท่านป่วยหนักเนี่ยคุนบาบาที่ท่านกล่าวเนี่ยจะพูดถึงเรื่องหลุมศพอย่าทำนะอย่ายกหลุมศพชันเนี่ยเหมือนกับหลุมศพของ ชาวอาลุนกิตาบซึ่งเขาเอาคนที่เป็นนักโทนักบวชของเขาเนี่ยฝังไว้ที่ไรที่โบสของเขาเลยนั้นโบสใหญ่ๆตามสถานที่ต่างจะไปที่หลุมฝังศพข้างล่างชั้นใต้ดินเนี่ยจะเป็นหลุมฝังศพของบารหลวงต่างๆที่มีชื่อเสียงแต่ของเราพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายจะจะจะแจวขนาดไหนนะก็ไม่ให้ฝังในสุราต้องไปฝังที่กุโบมีใครบอกเนี่ยโตคูคนเนี่ยเขาแหมเขาความดีเขาเยอะ ฝังแม่งที่กลางสุราเลยไม่มีพี่น้องไม่ได้ห้ามละมาที่สุราได้ละมาที่มูซอนแล้วพอถึงเวลาต้องไปฝังนอกสุราเพราะตรงนั้นคือที่อิบาด้าต่อรอบไม่ใช่ที่ฝังศพที่ฝังศพเราแยกกันจึงไม่แปลกว่าเวลาเรามุสลิมเราเนี่ยเราจะมีสุสานแยกออกมาจากตัวของมสัสยิดเพราะอิสลามห้ามไปฝังในสุราเนะี่ยแต่ครั้นี้พี่น้องก็จะงงว่าเออเราไปมาดีนาเนี่ยฉันเห็นกูโบนาบีเนี่ยอยู่ในตัวสุราเลย อ่ะเราเรามีคำตอบไหมคำตอบก็คือว่าซูเราขยายออกไปจนกระทั่งเข้าไปในเขตกูโบของนบีนบีน่ยฝังในบ้านของเรื่องเนี่ยฝังในบ้านของท่านห้องของท่านยังไงใช่ไหมล่ะขยายมาข้างหลังนะก็เลยเป็นเหตุว่าทาไม กูโบนถึงไปอยู่ในบริเวณสุราอแต่จริงเขาก็แยกไว้ชัดเจนและเขามีรั้ว ก, กั้นไม่หมดแหละตอนนั้นคือกูโบนเราเดินออกมาปุ๊บก็ให้สลามน บ, บีแต่ตรงที่เราละมาหมาดเนี่ยไม่ใช่กูโบนนะตอนนั้นเป็นเราดอเ ร, ราดอก็คือที่ที่อยู่ระหว่างบ้านกับมิมบัตมิมบัตเขาก็จะปูพรมสีเขียวตอนนั้นแหละพื้นที่สวรรค์คนก็แย่งกันเข้าไปละหมาดไปทําอิบาดาจริงๆไม่ได้บอกว่าให้ทําอะไรนะ แต่พูดถึงให้ทำอิบาดาดก็ไปละหมาดไปขอดุอาไปสิเกตไปอะไรก็ว่ากันไปนเป็นส่วนหนึ่งของสวรรค์น ะ, ะตรงนี้ตรงเนี้ยก็คืออย่าได้เกินขอบเขตที่ศาสนากำหนดเอาไว้ว่า ah ัลตัตบิอูอะวอาเกามินและจงอย่าทำตามอารมณ์ไฟต่ำอะหัตรงนี้หมายถึงอารมณ์ไฟต่ำของคนหนึ่งคนใดก็จอด้นลูมินกอบล ที่เขาได้หลงผิดมาก่อนแล้วนะว่าเอาดอลอูกรซีรอและทําให้คนอื่นหลงไปด้วยคือคนคนหนึ่งเนี่ยที่หลงผิดเนี่ยที่น่ากลัวที่สุดก็คือพาคนอื่นหลงไปด้วยยิ่งเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงมีคนติดตามเยอะคําพูดคําจาอะไรแต่ละจางเนี่ยถ้าไม่ได้ตรงกับแบบฉบับของท่านอบีหรือไปพาคนมันก็มีคนเชื่อบางคนเนี่ยบอกว่าทําไมมีคนเชื่อเขาเยอะล่ะ ก็ไม่แปลกหรอกครับมันก็เป็นสมัยก่อนมันก็มีคนเชื่อแบบนี้เยอะแยะนะแสดงว่าท่านนาบีเนี่ยในกุรอานเนี่ยบอกว่าอย่าได้ตามอารมณ์ไฟตำนะและก็คนที่พาเราหลงวอลูอันซซวาอิสบีนพวกเขาเนี่ยได้หลงผิดไปอนไปันไปะสบีนแปลว่าทางทางอะไรทางอันเที่ยงตรงนั้นศา ส, สนาของเราเนี่ย ไม่ได้ดูแค่ตัวบุคคลแต่ให้ดูที่หลักธรรมคาสอนสําคัญที่สุดคือหลักธรรมคาสอนแต่ว่าแน่นอนว่าเราต้องให้เกียรติกับผู้ที่รู้ครูบาอาจารย์นะอ่ะอัะ น, นี้ก็ความก็คือเรื่องของการอย่าครั่งในศาสนาครั่งศาสนาแปลว่าอะไรเกินเกินนี่แปลว่าข้างนะเกินนี่คือข้างถ้าถ้าถ้าไม่เอาเขาเรียกอะไรปล่อยป่าแล้วเลยเขาเรียกอะไรหย่อนยานเชื่อกอะ เหมือนเชือกเลยนะปล่อยมากๆไปไงมันก็หย่อนแขวนได้ไม่ได้แขวนกะหล่นดึงตึงเกินไปก็ไปไงขาดศา <c oughs> ส, สนาอยู่ตรงนี้อยู่อย่างเงี้ยอย่าให้อย่าตึงจนกระทั่งขาดแล้วก็อย่าหย่อนจนกระทั่งทำอะไรไม่ได้ อ, อยู่กลางๆอันไหนที่ศาสนาเปิดให้เราทำ แล้วจะมีอายากุรานพูดถึงเรื่องบัรเรื่องของนักโทนักบวชอิสลามเลยไม่มีนักโทนักบวชเพราะไอาการลาักษณะลักษณะลักษณะตลาทางโลกไปแล้วเนี่ยไม่เอาอะไรทางโลกแล้วเนี่ยเป็นตลาดที่คลั่งโอ้โหไม่ทํามาหากินอะไรเราอยู่แต่สูเราไม่ตรงทําอะไรแล้วอัลลอฮ์เลี้ยงเนี่ยอันนี้คลั่งนะต้องออกไปทำมาหากินต้องออกไปสแสวงหาริสกีถึงเวลาก็แบ่งเวลาให้กับอ่าอะไรนะให้กับการท้าวคารพภักดีต่ออัลลอฮ์และที่เหลือก็ออกไปใช้ชีวิตอยู่กับลูกกับเมียอันนี้คนปกติ ถ้าไม่ไม่เอาไม่อยู่กับลูกกับเมียเลยเนี่ยนะแต่งเป็นพิธีเท่านั้นแหละกลักวเขาว่าแล้วก็ไม่หลับกันนอนกับภรรยาไปอันนี้ค้าง <c oughs> เกินเกินกว่าที่ศาสนากําหนดเอาไว้ก็เนี่ยค่างก็คือสุดโต่งไงความสุดโต่งของพวกคอวาลิตเนี่ยหนึ่งเช่นเช่นอะไรผู้หญิงเนี่ยปกติมีประจำเดือนเนี่ยก็คือไม่ละหมาด ถ, ถูกไหมของคาวาลิตเนี่ยหนักกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมต้องกอดอ ปวชวารีสเนี่ยท่านผูนี่ไปเจอพวกหนึ่งเนี่ยละหมาดมีประจําเดือนเนี่ยห้ามละหมาดเอาล้อพูดถูกแล้วแต่ต้องกบอด้วยนะถ้ามีคําสอนแบบนี้พวกไหนพวกขัง่งต้องกอดอ้ยไมถ้ามีประจําเดือนต้องกอดอ้ยไหมไม่ต้องเอาล้อให้พักแต่บวชต้องกบอบวชต้องกอดอแต่ละหมาดเอาล้อให้นะยกเว้นกรณีที่เราละหมาดชายเรื่องนะ ประจำเดือนมาตอนไหนตอนบ่ายสามอย่างเงี้ยแล้วยังไม่ละหมาดลูรี่แต่ตอนที่ตอนที่ลูรีตอนนั้นแหละเรายังสะอาดอยู่ไอ้อย่างเงี้ยต้องกรดเพราะมันเข้าเวลาละหมาดแล้วอันนี้เรื่องนะแต่ถ้าหลังจากบ่ายอัตรีไปแล้วเนี่ยที่ประจำเดือนมาตอนบ่ายหลังอัสรีไปต้นไปเนี่ยไม่ต้องเลยห้าวันไม่ต้องละหมาดถ้ามีคนบอกว่าต้องกรอเนี่ยพวกขวาริสเกินเหมือนจะดีไหมล่ะอุ้ยดีจังเลย อคือบางอย่างเนี่ยมันเกินไปเนี่ยมันไม่ดีนะครั่งไงครั่งแล้วแต่ก็ไม่ใช่หย่อนยานนะบางคนเนี่ยเขาเขาเขาเคร่งถูกต้องแล้วแต่ไม่ใช่ขัง้งเคร่งจนขั้งมีอ้าวอ่านต่อนะรู้อีนั่นเลดี ลู عين الذين كفروا من بني إسرائيل อลยกดินด้วยนะลูอนั้นแหละทีนั่งเฝรูมิบันีอิสรอล อาลิซานิดาวูดาวอิซาบะนิมารยัมอ่าอิซาบะนี่อ่อนิมารยัมนี่นูนตัวนี้เนี่ยเปลี่ยนได้หมดเลยนะตามตามตำแหน่งนูก็ได้ หน้าก็ได้หนี้ก็ได้นะแต่นี่มันอยู่ตกหลังคัรฟุนยัตอาลาก็กลายเป็นหนี้ดาลีซานีดาวูดวาวารีซาบนันนะ้มารยยมนะส่วนดาวูดานี่มันนมนสอตนะต้องอ่านฟันท้าอยู่แล้วไ อ, อกรอบนึงนะอาแล อาล و ยลิซานีดาวูด้าวอิสบ์นีมาริยัมอาลัยลิซานีดَวูด้าวอิสْ ن ِ م ม ر ْ ي َ م ม ذلك بماعصوا وكانوا يعتدون อากรีอาซาอเนี่ยอ่านเลยไม่ต้องนวลมันไม่ได้มีเป็นฮุกกมนูนตายนะอัตันวีนบีมาอาซาอวะกานูดะลิกะบีมาอาซาอวะกานูยะตะดูน กคนูแลยตนฮอนงมมุกันฟะลูแคนูแลย์ตนาฮอนงมมุกันฟะลูอะดีมากเลยนะมีหน่วงเสียงทั้งหมดเนี่ย อ้ํานูนตายไปเจอมีมอ่านเข้าไปที่มีนเลยยาเตน่าฮาหน้าอ้ําม้วม้วนูนตายพบกับอีกฝาม้วการีกาเรีฝ้าลูและเตรียมลมไว้พ่น้วยมีทายใหญ่ข้างหลังลูอ่าเอาลมลมเหลือลมไว้พ่นและอย่าหนีบเสียงถ้าลูกลายเป็นทาเล็ก East ูแล้วปล่อยลมปล่อยลมไปเลยอีกรอบนึงแกนูลยตนาูนัมุรี ต่รอกระซรมมินหุมยะตะวันลาอนั่นละทีนักฟารูหละบิสะมา ดำต์ห์มอฟุสุฮุมอสัคิทัลลอฮฺอาไลฮฺมอาตรงนี้นะอัน ฟูสู่อันฟูสู่อ่าบางทีเราอาจจะเผลออันอันเป็นอันฟูซ่าอันฟูซี่ว่ะอันฟูซ่าไม่ได้นะอันฟูสู่เออฟูซู่หุมเออแล้วก็อันต่ออันสะเคสะเต้อนลอตัวต่อนะต่ออ้าต่อไปเข้าที่ไปเข้าที่ลามก็คือต้อนรอไอ้รอบหนึ่ง ل َ بسم ق د َ م ت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم. لا بسم قدامت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم. أي رأب ن ع ك ي พึ่งบอกเมื่อกี้อัฟูซูฮฺละบีซามากัดดามตละฮุมอาฟูซูฮฺอาซาขิตอัลลอฮฺอาไลฮิม อ ن น ساخط الله عليهم وفي العذابهم บีห์มัตร د ن อ ساخط الله عليهم وفي العذابهم ข้าลิด อ่ตรงอาดาบีทําไมอ่านว่าอาดาบีหุม่มงงไหมโดยปกติเนี่ยถ้าเป็นบาที่เขียนติดกะฮาต้องอ่านว่าบีหิมแต่บาตัวเนี้ยเป็นบาที่อยู่คําในอาซาบบาตัวเนี้ยเป็นคําของอาซาบหุ่มในแยกออกมามันก็เลยกลายเป็นหุ่มหุ่มเป็นวกเขาคือถ้าฟังเนี่ยเราไม่รู้หรอกเพราะว่าบาบีเพราะไปเจอที่ไหนอ่นบีหิมหมดแหละ แต่ต้องเป็นบาที่เป็นบาเป็นทัฟุ้นยัดแล้วก็เจอมันอยากว่าบีฮิมอันนี้มันแยกส่วนบานี้มันไ ม, ไม่ไม่ใช่อยู่ในในตัวของทัฟุ้นยัดมันไปอยู่คําว่าอาดาบมันก็เลยเป็น mm hmm. ฟีอาดาบบีฮิมเออเห็นไหมเขียนเนี่ยวิธีการเขียนเนี่ยสําคัญเนี่ยเขาเขียนบาแยกออกจากฮาปกติบ า, ากะฮาเขียนติดกันบีฮิบีฮิมแต่อาดาแต่บาเนี่เขียนติดไม่ได้ถ้าเขียนติดปับ๊บผิดเลยอ่านผิดเลย กลายเป็นบีหิมแน่นอนผมก็เลยเผอไปพอเจอที่ไหนก็บานต้องกาบีหิมแต่นี่บีหุม้มเพราะเป็นบาที่อยู่กับตัวอดาบเห็นไหมเขียนเนี่ยมีความสำคัญต้องรู้ด้วยอันไหนเขียนติดได้ไม่ได้อ s s a k h i ัลล l a h u a ลัยฮิมว a ฟิลอ d a b i h u m k h a l i d ว่าแล้วเ ك า ا, إ ن ย و ม ي ُนْบิลُ و ن َ ب ِ ا ل ل َّลِ و ี ا ل ن َّ ب ِมِّ وَمَا อ่าตรงนี้อ่านว่าวันนบียี่ว่ามาไม่ยีนะไม่ยีบางที่ก็มีวันนบียีนะอ่าบางเจอก็มีนบียีนะจะมีสัญลักษณ์เขียนแต่นี่ไม่อ่า ม, มีมัดยาวแต่นี่ไม่มีก็คือวันนบียี่ว่ามาบางที่อ่านเพลินวันนบีว่ามายีกลายเป็นเพิ่มสกสรเลยวันนบียี่ว่ามาอีกรอบหนึ่งว่าแล้วกานูยุ มิโนนาบิลลอฮิวนะบีว่ามาอุซิลอิ ว َمَا อُ ن zilla อีเลห์ม <c oughs> <When> ัตท ت َงดูหุ่มอุลีะว่ามาอุน zilla ว่ามาอَุเอาใหม่นะว َمَا อُ ن zilla z จะ خذوهم أولياء ولكن كثير منهم فاسقون ไม่ต้องจ้ะหุ้มเลยนะมีมตายที่หน่วงเสียงมีแค่สองตัวเองมีมีมตายพบมีมกับมีมตายพบบาที่เหลือนี่เป็นอิสฮาร์ชฟอวีอ่านชัดพ่านเลยนะครับอ่ะลูอีน่ะลูอีนั่นเลดีนักเฟอรูลูอีนะอ่นะี่นะนะนะนะนแปลว่าอะไรล่ละนะแปลว่าสาบแช่งถูกสาบแช่งนะถูกสาบแช่งได้ถูกสาบแช่ง บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาในมูบานิสรออีนก็คือบันิสรออีนเนี่ยมันมีทั้งคนที่ศรัทธาก็มีนะไม่ใช่ว่าทั้งหมดเหมารวมไม่ใช่แต่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ไม่ไ ม, ไม่เอาคือความดื้อเนี่ยระหว่างยาฮูดกับนาสรอรเนี่ยโอกาสที่จะดาว่าให้มาเป็นมุสลิมเนี่ยยาฮูดยากที่สุดเลย เพราะไอ้นี่ ม, นมันมันมันอันดับหนึ่งคือระหว่างนสอรอเนี่ยคริสเตียนเนี่ยยังไม่มีการมาคือเท่าเนเลยประวัติศาสตร์เนี่ยพวกเนี่ยชอบมาสนทนาด้วยมาจากเมืองซอนอาทางใต้นสอรอเนี่ยเขาจะมาสนทนาแต่เขาไม่คิดที่จะฆ่านาบีนะแต่อยาฮูดเนี่ยไอเนี่ยพร้อมจะฆ่านาบีเสมอเพราะว่าแผนของมันเนี่ยตั้งแต่วางยาพิษจาได้ไหมที่คอยบัต มันวางยาพิษผู้หญิงและก็ลวงนบีไปเตรียมขึ้นบนกำแพงเอาเครื่องยนต์ทุ่มมีเครื่องวิทย์เมื่อก่อนมีเครื่องเครื่องนี้มันก็ทำจากไม้นนหนักๆนะเป็ น, นกลไกของมันมันก่งหนักๆเป็นเป็นเหล็กเป็นอะไรนี่แหละจะเอามาทุ่มใส่นบีโอ้ยเยอะแผนเนี่ยประมาณสองสามครั้งที่จะฆ่านาบีมอมัตของเราไอ้นี่ตัวอันดับหนึ่งเลยแต่นโซอรอเนี่ย คือคือก็เป็นก็ดื้อกล้อแต่ไม่ค่อยคิดจะฆ่าประวัติไม่มีการฆ่านาบีก็มีแค่นบีซาก็ไม่ได้ฆ่ายังไล่ะแต่ยาฮูนี่มันฆ่านาบีด้วยอ่านั้นจึงไม่แปลกว่าไอ้คนที่มันจะจ้องจะทําลายเนี่ยฆ่ามุสลิมเนี่ยก็คือเนี่ยแหะพวกนี้แหละยาฮูนี่แหละคิดไม่เท่าไหร่อ่าแต่เคยรบกันนะระหว่างตอนสมัยก่อนตอนสงครามกูเซดเนี่ยก็รบกันอ่านี้ เอัลลอฮ์ Allah บอกนะลุอนี่นะถูกสาบแช่งบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาจากบรนีานิสรออิลอย่างที่ฉันบอกว่าอย่างนาบียะกงยะกบก็เป็นเป็นอิสรออิลเท่านั้นแหละแต่เป็นรอซูนมาอยู่ในอายะนี้อายะนี้คือคนที่ปฏิเสธนั้นเวลาพูดถึงอิสรออิลเนี่ยอิสรออิลที่ศรัทธาก็มีอิสรออิล ท, ที่ปฏิเสธก็มีมีแต่แต่ะยุคแต่ละสมัยนะอิเลลีเซนี่ อบอกว่าไงด้วยกับลีซานตรงนี้ก็คือถ้อยคำเริ่มตั้งแต่นบีดาวุาบีดาวุดเลยแล้วก็นบีอีซาบุตรของ ม, รมารยำนะตรงนี้เนี่ยมีการอธิบายเอาไว้เอนอฟีได้กล่าวว่านำมาจากอิมนุอบบาสพวกเขาถูกสาบแช่งไว้ในคัมภีรเตารอน เตารอนนี่ก็สาบแช่งกาเฟตผู้ที่ปฏิเสธที่เป็นปฏิสรล อ, อินและคำพีอินจินอินจีนก็ของนบีอีซราเราแล้วก็ซะบูรคำพีของนบีดาวุธินี่ไงถึงจะมีคำนบีดาวุธเข้ามาเนี่ยแล้วก็อัลฟุรกรคำพีะายฟุรกรกุรอานชื่อหนึ่งของกุฎานก็คืออัลฟุรกร ชื่อเดียวกับโรงเรียนเนี่ยเรือฟุตกอนหลังจากนั้นพระองค์ก็ดีบายให้ทราบถึงสภาพของเขาเดี๋ยวจะบอกนะสภาพที่ถูกสาบแช่งเพราะอะไรอ่อาเَ ا ะลิกาบีมาสวากานุยَตะด ن َก็เนื่องจากการที่เขาฝ่าฝืนและที่พวกเขาเคยละเมิดนะสาหีที่ถูกสาบแช่งก็คือจากการฝ่าฝืนอัลลอ ดังนั้นหลายๆโทษที่อัลลอฮ์กำหนดเอาไว้ก็คือหนึ่งในนั้นก็คือถูกสาปแช่งคนรับสินบนเนี่ยนะใครกะทาตัวเป็นผู้หญิงผู้หญิงทําตัวผู้ชายผู้ชายทําตัวเป็นผู้หญิงกระเทยตุ๊ดเกจะเพศไหนก็แล้วแต่มีแค่สองเพศเท่า น, นั้นแหละอัลลอฮ์สร้างมาสองเพศมีสมัยก่อนนี่ยสมัยเมื่อสมัยท่านอุมัตนะมีผู้ชายคนหนึ่งเอา ผู้หญิงเขาเขียนอะไรเนี่ยไม่ใช่ซกักเขาชอบพิ้นนะพิ้นเลยอารดับเขาชอบพิ้นลา ย, ลายเห็นหน้ า, นนาทำได้ปะทาได้นะทำได้นะนะผู้หญิงเราเนี่ยเอาล้อให้เอาเห็นหน้ามาเขียนมือล า, ลายเคยเห็นไหม ส, สวยแต่ฉันไม่ชอบหรอกโ <c oughs> ตไม่ชอบใช่ไหมบางคนชอบบางคนเอาเห็นหน้าทาล็บเหมือนลิปเหมือนล็บเนาอะ่ะ เล็บชมพูดีๆไปทาทาเห็นหน้าแต่เขาว่าสวยนะเขาว่าสวยมันก็ต้องถามสา ม, มีด้วยว่าชอบเปล่าบางคนเพ้นมาลาย ง, ง, งออูแต่ฉันไม่ค่อยไม่คอ่คอยอินเท่าไหร่แต่บางคนนี่บางอารับบางเผ า, า, านี่เขาถือว่าถ้าถ้าเพ้นเห็นหน้าปั๊บนี่โอ้โหมันเป็นกระตุ้นชาวัดยิ่งทาเล็บด้วยนะย้อมใบเล็บเทียนยอมผมแดงชอบ แต่บางคนก็ไม่ชอบบอกว่าฉันชอบผมขาวสมมติใช่ไหมฮัญ้าผมขาวมาเลยแต่กีบอกกี้ชอบแบบเนี้ยเขาขาวแบบเนี้ยชอบไม่ใช่ผิวนะผมผมขาวมาเลยเ อ, อแต่ประเด็นก็คือว่าไอทีสวยเนี่ยถ้าสวยแล้วมีได้บุญต้องสวยให้สามีแล้ว่าสามีบอกว่าไม่ไม่ไม่ชอบเห็นหน้านะนี้นี้ก็ไม่มีซุนนะให้ไปทา อแล้วก็อีอันหนึ่งที่อาดับชอบก ะ, กะโฮนก็เรียกกะเฮลอะไรนะเขียนตาเขียนตาอคนประทานก็ชอบใช่ไหมขีดตาอันนี้ฉันชอบช้ำชอบอันนี้ชอบเลยเอชอบตามคมดีไงเขียนตาจะเขียนเยอะมาคนเขียนเป็นหมีเพนด้าเลยนะดํามาต้องดูไวเราด้วยหัญยาเอ้ย <c oughs> ต้องดูไวเราด้วย นะะเดี๋ยว <laughs> ถามสามีว่าชอบไหมเอออ่าถ้าแล้วก็ทาเลยถ้ถาสามีอะไรชอบได้บุญทำเถอะเอ่มีคำถามอีกแล้วเจาะหูบางคนเนี่ยไม่ได้เจาะแค่นี้เจาะนี่เรียงนี้เลยมีคนถามมีคนถามเชคซอเดมุนาจิตบอกว่าทำได้ไหม เชฟบอกว่าไม่ได้มีข้อห้ามนะจอไปเถอะใส่ได้เลยผู้หญิงไม่ได้มีข้อห้ามนิ้วก็ใส่ได้หมดเล็บสิบนิ้วใส่เถอะทําไม่เขาไม่ว่าเป็นบ้าก็ใส่ไปเถอะมันมันมันสวยไม่หล่ะใส่สิบนิ้วนี่ยถามก่อนแต่บางคนเขามีนะที่เป็นทองคําแล้วมันใส่มสันสวมอะ่ะฉันเคยเห็นเออสวยคือผู้หญิงเนี่ยเราเปิดให้หมดเลยนะเรื่องความสวยความงามผู้ชายนีย่ไม่ได้นะไปเจาะรูเดียวก็ไม่ได้หูเนี่ย ห้ามผู้ชายห้ามใส่หูใส่ใส่สร้อยก็ไม่ได้ผู้ชายเนี่ยห้ามหมดเลยใส่ขอมม้ อ, ขอมงข้อมือห้ามหมดเล ย, <ด>ยผู้ชายเนี่ยใส่ได้แค่นาฬิกากับแหวนแค่แนั่นแ<ด>หละฮะไม่เป็นคือถ้าผู้ชายใส่เงินที่เป็นสร้อยนะก็ที่เลดพวกเนี่ยเขาบอกว่าเอฮุกกลมของมันคือการเรียนแบบผู้หญิงไม่ได้บาปเพราะว่าใส่ที่เป็นทองนะ คือเขาบอกว่าไอ้ไอ้สร้อยก็ตามใส่ข้อมือก็ตามจะใส่ที่อะไรขอดทองอะไรเนี่ยมันเป็นของผู้หญิงหมดเลยตั้งงตั้งหูอะผู้ชายไม่ต้องใส่เครื่องประดับเพราะผู้ชายในความเท่มันไม่ใช่เครื่องประดับมันเท่ที่บุคลิ ก, กภาพความเป็นผู้นำตัวว่าแล้วใส่ไปใส่มาขอโทษนะมันกระเทย <c oughs> ไ, ไม่มีไม่มีอะไรใส่เพราะว่าไม่ไมีม <c oughs> ไม่มีตังค์ไป จะไม่มีใส่เลยเลยจริงๆมีในกาแพงด้วยแพงด้วยนะแต่ใส่แล้วไม่ชอบมันหนกักฉันรู้สึกมันและไอซีใส่ประจำมันพังไปแล้วก็เลยไม่ได้ใส่ละก็เลยไม่ชอบใส่อะไรมือโล่งหมดคราวนี้ผู้หญิงเนี่ยเอาล็อปเปิดหมดเลยเอาล็อปเปิดหมดแนละ้วใส่ไปเถอนะนะเฮนนองเฮนหน้าเพรากฏว่ามีผู้ชายทะลึง่งเอาเฮนหน้ามาเพ้นโอ้โหเพ้นอ พี่น้องท่านอุมาศเห็นนี่ดุเลยนะบอกนี่ถ้าไม่ไม่ลบนะตะเพิดออกจากเมืองเลยกระเทยยังไม่ทันทําตัวเป็นอะไรเลยนะเดินตุตง้ตงตแค่เอาเห็นหน้ามาเขียนเนี่ยเอาล้อสาบแช่งแล้วผู้ชายเนี่ยไปลองทองกับเมียเนี่ยอย่าให้ผู้ชายใส่ใส่ลองก็ไม่ได้รู้ไปซื้อทองให้เมียนึกนึกสนุกเอาแหวนมาใส่ไี่บาปแล้วเนะี่ย ลองนะแต่มันจะซื้อให้เมียนั่นแหละและเอาแหวนทองมาใส่บาปแล่ผู้ชายห้ามเด็ดขาดเลยของผู้หญิงทองของผู้หญิงอย่ามายุง่งซื้อได้ดูได้จับได้แต่อ ย, าอาาออ ย, าย่าเอามาสวมซื้อย่างเดียวแต่เอามาสวมลองข้อมือเสร็จเลยบาปเลยทั้งทั้งที่ไม่ได้สวมเล่ดไม่ได้สวมจริงนะสวมแค่ลองก็ไม่ได้โหเห็นหมสาคัญนะอิสลามเนี่ยห้ามแม้กระทั่งไปเกี่ยวไปยุง่ง คือซ um> yes ื้อได้แต่ว่าเอามาลองไม่ได้เห็นหน้ากับเหมือนกันเกิดมาเขียนเอามาทาลงทันอันนี้ของผู้หญิงเขาหมดเลยแต่ถ้าย้อมผมได้ผู้ชายเกิดผมนี่ฉันขาวหมดแล้วอันนี้ไม่ได้ย้อมนะแกเองอ่ไม่ไม่ต่อไฮไลท์ไฮไลท์อันนี้เป็นเองตั้งแต่มีเมียนี่แหละผมเยอะผมงอกเยอะอืม ไม่ใช่เครียดดูบีวุฒิภาวะเพราะผมเพราะผมผมขาวนี่ถือว่าเป็นไงมีภูวุทธิภาวะแล้วุญนะอะไรนะวัยวุฒิได้เออไม่ใช่ไปคิดอย่างนั้นเลคิดงนั้นไม่ดีอายุยังไม่ได้แต่รอให้ใ ห, ให้ให้มีผมขาวล้วนะอันนี้ได้อันนี้ดีนะอันนี้ดีให้แก่วัยหน่อยอา้าวสาบแช่ง ไปถือเรื่องไหนก็ไม่รู้เอากลับมาเรื่องของเราอันนี้เอาล็อสาบแช่งคนที่ทำบาปแม้กระทั่งมุสลิมเราถ้าไปทำบาปบางอย่างเนี่ยก็มีการถูกสาบแช่งเอาไว้ไม่ดีนะเป็นบาปใหญ่นะถ้าเป็นล่านนะ้นนี่หลับบาปใหญ่คราวนี้ซาลิกาบิมาอาวากานูยะตะดูนเนื่องจากพวกเขาอาภูไปแล้วเอากลับมากานูลาตาตาตาตานาเฮา อายะตานาเฮาหน้าอันมุงมุงกัดบอกว่าไงปรากฏว่าพวกเขาเนี่ยต่างไม่ห้ามไม่ห้ามปามในสิ่งที่ไม่ชอบในพวกเขาได้กระทําขึ้นอัลลอฮ์บอกว่ า, า, วาลาบิสมามการูยับยัฟอาลูนถือว่าเป็นการกระทําที่เลวซามต่ําช้าเป็นสิ่งที่เลวร้ายมากๆที่พวกเขากระทากัน อันนี้อัลลอฮ์ตำหนิตาหนิใครตำหนิคนตอนแรกพูดถึงคนทําชั่วใช่ไหมและกำลังตำหนิคนที่ไม่ห้ามเห็นอะไรที่มันผิดแต่ไม่ห้ามเมื่อไม่ห้ามมันเหมือนกับเป็นการยุ่งม่เหมือนเป็นการส่งเส ร, ริมไปในตัวอย่างสมมุติเนี่ยกีกีจะดื่มสุราสมมตินี้เป็นเหล้าผมนั่งอยู่ด้วย ผมก็ไม่ห้ามกีกีจะดื่มไปกีต้องไปคิดในใจนะอาจารย์เขาไม่ว่าเลยเลยแสดงว่าทําได้แสดงว่าทําได้เออก็อาจารย์ก็ไม่ว่าเนี่ยอาจารย์รับรองแล้วถ้าเขาถ้าเขาถ้าเขาบอกว่าไม่ได้ถ้าเขาไม่ได้เขาต้องห้ามแล้วสิแต่นี่เขานั่งชี้ยิ้มอีต่างหาก <c oughs> ก็ไม่ห้ามเนี่ยกลายเป็นกล า, ายเป็นเข้าใจว่าสนับสนุนเลยเนี่ยทั้งทังที่ผมไม่ได้บอกว่ากีกินนะผมไม่ได้พูดเลยเลยดังนั้น ไอการเห็นความชั่วแล้วไม่ห้ามเนี่ยอันเนี้ยกลายเป็นคนบาปไปด้วยคราวนี้มีคนถามต่อว่าอาจารย์แล้วก็คราวนี้ฉันจะทำยังไงดีอ่ะเพราะฉะนั้ฉันก็บาปเยอะเลยเพราะว่าฉันก็เห็นความชั่วเยอะแยะคราวนี้ศาสนาของเราเนี่ยพี่น้องครับให้ความสามารถต่างกันมันรามิงกุ้มุนกรอนฟั่นยู่กอยิธฮู้บียดีฮีใครที่เห็นความชั่วให้ยับยั้งมันด้วยกับมือของเขามือเขา ห, หมายถึงว่าถ้าเกิดคนคนเป็นกอดี อย่าท่านอ บ, บีเบี่ยนเนเคยเจอคนสวมแหวนทองถ้าจะไม่ผิดนะนั บ, บีไปถึงจับมือเสร็จปุ๊บถอดขว้างทิ้งเลยเฮ้อไออย่างเงี้ยเราทำได้สำหรับลูกเราเราเห็นบุรีเราเห็นลูกเราสูบบุรีเอาแบบเด็กๆนะนะไม่ใช่โตมากนะเด็กๆหน่อยมาถึงก็หักใช่มอะไรหักจับซ้อมบุรีทำลายเลยไม่ใช่เก็บมาดูดเองเออยึดยึดยึดยึดไม่ได้ ลูกกับลูกไปไหนปุ๊บเอามาดูดเองอันนี้ไม่ได้ยึดแล้วทำลายทิ้งได้เลยใช้อำนาจจัดการได้เลยพ่อเราเป็นพ่อแต่สมมุติพ่อดูดบุหรีลูกเห็นลูกไปไงลูกไปถึงก็หักบุหรีพ่อพ่อระตบหัวทิ่ม <c oughs> <c oughs> อันนี้ใช้อำนาจไม่ได้แล้วต้องใช้วาจายอ้อมันมันไม่ดีนะฉันแพ้ควันจ่เอออะไรเงี้ย ก็พูดไปใช่ไหมเพราะใช้อํานาจไม่ได้เราเป็นลูกเราไม่ใช้อํานาจอะไรก็ย อ, รอยเรายอร่อเรามีอํานาจปรากฏว่าบางคนหนักกว่านั้นใช้อะไรไม่ได้เลยพูดก็ไม่ได้พูดปับ๊บไอ้นี่มันยิ่งยุใหญ่เลยสมมติเราไปบอกกับยอ่ออย่าดูบุหรีนะยอดูสองสองซ อ, องเลยวันนี้มันไสเตือนนักไอ้นี่มีพวกนี้มีพวกนี้เนี่ยให้เอาหัวใจขอดูอากรล่อให้ล่อเปิดใจนะ แต่แดรกอดอฟุนอีมานแต่สมมุติเราสามารถจะใช้ใช้อํานาจก็ได้ใช้อะไรนะใช้วาจาก็ได้แต่เราเลือกดันไปใช้หัวใจที่บอกว่าอดาอฟุนอีมานถือว่าเป็นคนที่อีมานอ่อนมากเอาหลออาจารย์ฉันมีลูกลูกมันดื้อแล้วเกินแล้วทายาทำไงอะดูอ้อย่างเดียวเลยขอดูอายอย่างเดียวเลยแล้วเคยเตือนเคยบอกลูกไม่เคยดูอ้ายอย่างเดียวไ อ, ยอย้ยางเงี้ยอดอลดอฟุนอีมานอีมานอ่อนมากและจะเป็นบาปด้วยนะ พ่ออะไรล่ะพะ่อเราสามารถที่จะใช้สิทธิ์การเป็นพ่อเป็นแม่ได้นะครับมีฮะดิษเยอะเลยที่พูดถึงการที่เหตุไม่ห้ามปาลมความชั่วมีฮะดิษบทหนึ่งแล้วกันผมอ่านหน่อยนะอัลลายัมนานรอจุลันท่านรอซูลเนี่ยได้ลุกขึ้นยืนกล่าวป า, ายัย และปรากฏว่าสิ่งที่ท่านได้กล่าวก็คือพึงทราบเถิดว่าความกลัวของมนุษย์นั้นไม่อาจจะขัดขวางคนหนึ่งให้พูดความจริงได้ความกลัวของมนุษย์นั้นไม่อาจจะขัดขวางให้เราเนี่ยพูดความจริงได้แปลว่าอะไรแปลว่าจะมาอ้างว่าเฮ้ยเดี๋ยวเขาไม่พอใจเดี๋ยวเขาจะโกรธเราถ้าเราพูดเนี่ยเราอ้างแบบนี้ไม่ได้ ไม่อยากพูดหรอกเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวมันมันโกรธเรามันมันมันจะด่าเราไม่ได้อ้าวต่อมาเมื่อเขาทราบมันดีพูดเล่าฮะดิษกล่าวว่าอาบูซาอิศเดี๋ยวร้องไห้เลยพอได้ยินฮะดิษบทเนี้ยร้องไห้เลยและกกล่ า, กกาวว่าความจริงขอสาบานต่อเราว่าเราได้พบเห็นสิ่งต่างๆมากมายแต่เรากลัวมันก็คือสภาพของสังคมปัจจุบันนี้ ที่อะไรที่เราเห็นของไม่ถูกแต่เราไม่กล้าพูดเนี่ยเพราะกลัวกลัวอะไรกลัวเขาไม่ครบกลัวเขาไม่เชิญกินบุญกลัวเขาไม่ โ, โหเยอะเลยความกลัวมันจะมันจะเข้ามามันก็เลยทำให้คนลหลายๆคนไม่กล้าที่จะพูดไม่หาไม่อยากจะเตือนพราะเตือนปับ๊บงานเข้ารถทัวลงมันมีผลประโยชน์อยู่นี่แหละอบูซาอิดร้องไห้หเลยพอเจอคาพูดนี้ของท่านอบีบอกว่า จริงๆเราจะมาอ้างว่าเรากลัวคนนู้นคนนี้พูดแล้วเราไม่พูดความจริงไม่ได้เราก็จะรับบาปไปแม้ว่าพูดไปแล้วเราจะเจ็บปวดก็ตามคนอาจจะมีผลกระทบออกมากับสิ่งที่เราเจออาจจะมีคนเหม็นขี้หน้าเราเขาอาจจะตัดความช่วยเหลือเราเราก็จะนุน น, นไปแต่ถ้าเราไม่พูดเราก็ได้รับบาปของเราที่เราไม่เตือนกันนะครับนะนบ อ, อัฟดอลจฮดที่สุดของการจฮดคืออะไรก็ได้มาตุ้นักการพูดความจริงต่อหน้า คนที่มีอำนาจผู้ปกครองที่อาธรรมกล้าพูดความจริงไหมนะมีกรณีหนึ่งนะครับ อ, อ, อยู่ในน่าจะอยู่ในประเทศอินเดียนะราชวงศ์อะไรโมกุลที่โมกุลพวกนี้เขามีที่ปรึกษาก็คือต๊กคูแหละเป็นที่ปรึกษากรนี้ พ่อเนี่ยตายที่บที่ปรึกษาพ่อเนี่ยตายแล้วก็ตัวกษัตริย์เองก็ตายด้วยเขาก็เลยได้ตั้งทั้งกษัตริย์คนใหม่แล้วก็ตั้งคนที่เป็นที่ปรึกษาใหม่คราเนี้ยไอ้ระหว่างที่นั่งกันอยู่เนี่ยในห้องของพงพระโรงแล้วมีคนปัดปัดไม้เท็ดกันอยู่เนี่ยเขาก็ถามบอกว่าเนี่ยมีอะไรที่จะ บอกชันไหมเนี่ยในฐานะที่ท่านเป็นที่ปรึกษาศาสนาบอกว่าโอ้เยอะเลยจ่ะเยอะเลยจะให้พูดไหมล่ะก็พูดมาสิมีอะไรเขาบอกเนี่ยเปลี่ยนหมดเลยนะแก้วแหวนเงินก็เลยนะของภาชนะที่ใช้เนี่ยเพราะว่าอาับนบีห้ามหมดเลยแก้วทองคําภาชนะทองคําส้วมทองคำอันนี้ห้ามหมดเลยทองคําเนี่ยห้ามเอามาใช้ไปเป็นจานช้อนไม่ได้แต่สีไม่ห้ามนะเออแต่สีเนี่ยไม่ได้ห้ามแต่ถ้าเป็นทำมาจากทองคําจริ ง, รงๆเนี่ยห้าม ทำไมห้ามล่ะเพราะอันนี้ไม่ใช่สถานที่เราใช้ทองคําเดี๋ยวเราจะไปให้ในสวรรค์ในดวนทร์ญญเนี่ยทองคําเอามาประดับยาวมาใช้มาทําเป็นทองมันคือการเมื่อใช้เนี่ยอันนึงมันจะเกิดผลกับคนน่นแหละถ้าเราใช้ช้อนทองคําเนี่ยคิดดูดิมันจะเท่ขนาดไหนมันก็แอาจจะกินข้าวทีกว่าจะตักข้าปากได้ทองคำํำ <c oughs> ขี้อวนใช่ไหมล่ะ <laughs> มนุษย์ดาวเนี่ยร์ระเบีห้ามเลย ห้ามเอาทองคํามาใช้เป็นเครื่องใช้นะครับแต่เอามาเครื่องไปประดับได้เขาก็เตือนเขาก็บอกว่าทําไมฉันไม่มีใครมาบอกฉันเลยก็บอกเขาโงไม่กล้าสิกลัวจะเด้งใช่ไหมกระเตือนไปแล้วเด้งก็เลยเปลี่ยนของใช้หมดเลยแล้วเอาทองคําเนี่ยไปบริจาคมาเล้าเหรเนี่ยการเตือนมีประโยชน์นะแต่ต้องเตือนให้เหมาะสมนะเขาอยากฟังหรือเปล่าถ้าเขาอยากฟังเนี่ยต้องเตือนเลยแต่ถ้าเขาไม่อยากฟังเนี่ยการเตือนบางครั้งก็มีประโยชน์เลยพูดไปเขาก็ อู๋ทวนลมอ้าวเอาล้วบอกต่อโดนสวนด้วยนี่บอกอ้าวอา่ออายะที่80ตรงไหนเนี่ยตารอป่ะอ้าววาลาวกานะ่ไหนอ่ะฉันไม่เจอล่ะ ลุยนั่นละดิกานูลออ๋อนี่มุกกรวิสมตาโรากาซีรอมเอ่อเจ้าก็คือมุฮัมมัดเนี่ยจะเห็นอย่างมากมายในหมู่ภูเขาเห็นอะไรยอะแต่ว่าเราเยอะแต่ว่าเรานั่นละดีนะกาฟารูจะเห็นอย่างมากมายในภูเขาเป็นมิตรกับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาช่างเวลวร้ายเหลือเกินคือหมายถึงพวกพวกเนี้ยพวกไหนพวก บานิสลออีนเนี่ยยาฮูสเนี่ยก็ไปคบกับพวกมุนาฟิกและก็ไปคบกับพวกมุชิลิกีนพวกเนี้จะรวมกลุ่มกันคบค้าสมาคมกันดีนะเออช่างเดียวแล้วและสิ่งที่เขาเองประกอบล่วงหน้าเอาไว้สําหรับพวกเขาก็คือวางแผนเอาไว้ทำความทําสิ่งที่เป็นสิ่งไม่ดีต่างๆเนี่ยเป็นเหตุให้อัลลอฮ์เนี่ยทรงโกรธกิว้วและก็เป็นเหตุที่ให้อัลลอฮ์นั้นได้ลงโทษเขามากดดมัดละหุมหมายถึงสิ่งที่อยู่ล่วงหน้า คือพวกนี moi, fais, fais, <c oughs> ้ก็คิดทำชั่วแต่ยังไม่เกิดเลยนะคนเราเนี่ยมันชั่วนี่นะมันอย่าว่าจะชั่วแด่ดีเลยนะชั่วแม้กระทั่งเยื่องยังไม่เกิดวางแผนไว้แล้วจะทำอะไรต่ออะไรวะเลวกานูยุมีนูนะบินแล้วนบีและหากพวกเขาศรัทธาต่อละและนบีและสิ่งนี้ถูกมาลงมาประทานแก่พวกเขาเขาก็จะไม่ยึดเอาคนเหล่านี้เป็นมิตร อันนี้อิสลามสอนถึงเรื่องอะไรด้วยเนี่ยเรื่องของการคบคบเพื่อนคบมิตรนะแล้วก็ไม่เอามาเป็นเอาเลียตรงนี้ก็คือเอามาเป็นสหายเอามาคนใกล้ชิดเลยนะวายแลกินแคซียมมินหุ้มฟาซีกูลเพราะคนส่วนใหญ่ในหมู่พวกเขานั้นน่ยมักจะเป็นคนที่ทําชั่วทําสิ่งที่ไม่ดีตรงนี้เองเนี่ยท่านอับดุลบีเนี่ยไม่เคยละจากการเตือนยาฮุดเลยนะ เตือนตลอดเจอยะฮูดก็คอยเตือนคอยอะไรตลอดแต่พวกนี้มันไม่เอาเพราะไม่เอาเสร็จมันก็ไปคบกับพวกมุนาฟิกวางแผนในการที่ทำลายล้างอิสลามนะครับอ่ะต่อนะลเตจิดันนาชัดดันนาสีอาดาวัตลิลาดีนาอามนุลยะฮูด لِلَّذِينَ آمَنُوا นะลิَลาดีน่าอัมานุลยา و َ ل َ تجدنا َََِ أقربهم ََُْ ما وَدَّتَ ة الَّذينَ ِ آمَنوا ُ الَّذينَ ِ قَالوا ُ ก็ล <ق ال وا> ูอินเนะเนَะَ ا ระอัลลอฮฺไมินเนาะ ك ن ิ สิสีนาวรุบาโนวันนา้หุมลยจะตักบิรุนที่สิสีนา มาดูความหมายนะครับเมื่อกี้ผมไม่พูดไปไปเกินๆแล้วแหละว่าแน่นอนเจ้ามูฮัมหมัดจะพบว่าในหมู่ชนผู้ที่เป็นศัตรูอย่างร้ายแรงที่สุดเนี่ยก็คือยิวเนี่ยเอาเราบอกเลยอันดับหนึ่งเลยทิ่ศัตรูที่มองเห็นนะส่วนอันดับหนึ่งที่มองไม่เห็นนี่คือชัยตอนคนที่มันจ้องจะทําลายอิสลามอันดับหนึ่งก็คือยาฮูดนี่แหละในกุฎานบอกแน่นอนเจ้ามูฮัมหมัดจะพบว่าในหมู่ชนที่เป็นศัตรูอาดาวะ อย่างรุนแรงเลยอาดาว่าแบบมากๆจองล้างจองผานเนี่ยก็คือบรรดายาฮูตก็คือยาอิวแก่บรรดาผู้ศรัทธานะคือมันจะไม่ชอบผู้ศรัทธามากเกียรติมุสลิมผู้ง่ายแนตะ่คนนี้อัลลดีนาอัชรอกูมากและก็บรรดาผู้ที่ตั้งภาคีตอรอเนะี่ยซึ่งบรรดาผู้ที่สร้างภาคีและบรรดาผู้ที่ตั้งภาคี วและตาจีดนนอกรบาหุมมาวดะและแน่นอนเจ้าก็จะพบว่าบรรดาผู้ที่รักไข่แก่บรรดาผู้ที่ศรัทธาใกล้กว่าเขานั้นคือบรรดาผู้ที่กล่าวว่าแท้จริงเราเป็นคริสทำไมอะแลิกะอันเนื่องมาจากอะไรแท้จริงบิอันนมินหุม บรรดานักป่าและบาดหลวงพวกเขานั้นเนี ah um ่ยวันนาฮุมลยสตักบิรูนเป็นบุคคลที่ไม่หยิงยโสอสาเหตุหลักที่ยูกลายเป็นศัตรูอันดับหนึ่งเพราะพวกนี้เนี่ยมันคิดว่ามันเจ๋วนั้นคำสอนคำสอนของคริสเนี่ยอันหนึ่งนะอันนี้อยู่ในในในตัพสีตเลยบอกว่ามันดอรบกาและคัดิกาไอมันฟา อดีตล่าหวขัดด็กะไอซาร์อันนี้ภาษาอาหรับนะใช่ไม่ได้ว่าใครเนะียยาซาร์แปลว่าข้างซ้ายเขาบอกว่าหากมีคนมาตบแก้มขวาอันนี้คําสอนคริสตสมมุติมีคนมาตบขวาพุ่งจงหันแก้มซ้ายเขาตบอีก <c oughs> ดีไหม <c oughs> กลัวมันไปชามึงข้างนี้มันจะไปชาอันนี้คําสอนของคริสไหม ที่เขาสอนกันมาตั้งแต่สมัยสมัยบัตรหลวงเขาเนี่ยหลวงพ่อสอนลูกเออถ้ามีคนมาตบแข้งขวายื่นแกมไซดเขาตบอีกไงไม่ใช่ศา <laughs> ส, สนาแห่งความรักไงศา ส, สนาคิดเนี่ยจุดจุดเขาคือความรักเขาตบเราเขาอาจจะตบเพราะความรักก็ไม่รู้เปล่านะแต่อิสลามเราไม่ได้นะห้ามตบหน้าอิสลามบอกนบีบอกอย่าตบหน้า ไม่ใช่พอเจอแบบนี้ปั๊บออกเขาตบขวาแล้วเดี๋ยวเอาข้างซ้ายอีกข้างหนึ่งเขาบอกว่าคําสอนเนี่ยมันทําให้มันไม่เกิดสงครามเพราะว่าเห็นไหมเขาตบขวาเดี่ยวนี้ยืนซ้ายให้ตบแต่ยาหูสเนี่ยมันเข้าใจว่าตัวมันเนี่ยอะไรนะเป็นคนที่พระเจ้ายกยอปอปั้นและมันมองคนที่ไม่ใช่ยาหูสเนี่ยเป็นหมาเหมือนหมา ตำค่ามากว่ า, างั้นเลยแม้กระทั่งคริสเตียนเองก็รู้เรื่องนี้นะให้อาหารหมาเนี่ยกับอาหารคนที่ไม่ใช่ยูฮุธเนี่ยพอๆกันเขาวานี่แหละคำสอนของพวกนี้มันก็เลยทำให้จองล้างจองผานคนที่ไม่ใช่ผู้ศรัทธานะเราจึงบอกว่ า, าระหว่างระหว่างคริสกับยูเนี่ยโอเคแหละเขาเป็นเา เ, าเป็นผู้ปฏิเสธทั้งคู่นั่นแหละนะ แต่คุยกับคริสเนี่ยจะรู้เรื่องมากกว่าเพราะอย่างน้อยเนี่ยคําสอนเขาเนี่ยมันไม่ ม, ไ ม, มันไม่อะไรนะมันไม่ได้แบบสอนให้แบบไปดูถูกเหยียดหยามคนไงสอนเขาคือนเน้นให้ความรักยื่นแก้มเขาตกขวามายื่นซ้ายให้ตบแต่ยาฮูดมันสอนอีกแบบนึงเลยมันสอนให้หญิงเยโสโอหังนะอ่าเดี๋ยวค่อยว่ากันนะรายละเอียดตรงนี้แต่มีไม่เยอะหรอกครับอ่ามีไม่เยอะหรอกแล้วก็เดี๋ยวเราจบตรงนี้แล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราไปต่อคราวหน้าชาลเลอร์แปดสิบสามนะ อ้าวศัตรูอันดับหนึ่งเรารู้แล้วนะอย่าฮูดเลยนะแล้วก็ที่นบีพูดและสาเหตุที่เป็นอันดับหนึ่งเพราะมันฆ่าเพราะมันคิดวางแผนฆ่านบีด้วยนะครับสุบฮานะกอลฮุมมาวิฮัมดีกาอัชดูอัลอลาฮิอิลลาอันตอัสตัฟฟุลกวะตุบอัสสลามอัลมาระมัตุลลอฮฺบะบา р ตุ